พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่สังขารูปปันติสูตรว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขารคือความคิดเจตนาปฏิปทาอันให้สาเร็จความปรารถนาข้อที่ทำให้ความต้องการเกิดในสุคติสาเร็จได้จริงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเกศกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนายอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับคติยะมหาศาร มหาศาลคือร่ำรวยมีอำนาจมากเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นสังขารคือความคิดเจตนาและวิหารธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ประกอบด้วยศรัทธาศีลเป็นตน้นสังขาและวิหารธรรมอันเธอจเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในคติยามหาศาลนั้นได้ ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในคติยะมหาศาลและโดยในยะเดียวกันสังขารคือความคิดเจตนาและวิหารธรรมมีศรัทธาศีล ส, สุตตะจาคะและปัญญาอั น, นจเจริญทำให้มากแล้วนั้นหากมีความต้องการจะไปเกิดในสุคติพบใดยอมเป็นไปได้ตามความต้องการนั้น ตั้งแต่การกลับมาเกิดในโลกนี้เป็นพรามาหาสาลกษับบดีมหาสาลการเกิดในสวรรค์เป็นเทพมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากมีเทพชั้นจาตุมหาราชเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิ ม, มานรดีหรือเทพชั้นปรณิมิตาสวัตีิการเกิดในพรหมโลก เป็นพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากน้อมจิตแผ่ไปตลอดหนึ่งพันโลกธาตุเปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลลาหุงไว้ในมือและพิจารณาดูได้แก่สหัสสพรมเทวิสหัสสปรมติสหัสสพรมจตุสหัสสพรมปัญจสหัสสพรมผู้มีอายุยืนมีความสุขมากน้อมจิตแผ่ไปตลอดห้าพันโลกธาตุทสะสหัสสรม มีอายุยืนมีความสุขมากน้อมจิตแผ่ไปตลอดหนึ่งมือโลกธาตุเปรียบเหมือนแก้วไพลทูนแปดเหลี่ยมงามโชดช่วงอันเขาเจรณัยดีแล้ววางเวลาบนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรธสตสหสพรม ม, มีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังน้อมจิตแผ่ไปตลอดหนึ่งแสนโลกธาตุอยู่เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุ ที่เขาหลอมด้วยความชำนานดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดแลว้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมสองแสงเรืองไพโรธอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุดตะประกอบด้วยจาระประกอบด้วยปัญญาอีกสุบนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นอาภาเทพชั้นปริตตาภาเทพชั้นอัปปมานาภา เทพชั้นอภสราเทพชั้นสุภาเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอัปมานสุภาเทพชั้นเวหผลาเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอาตปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทัสีเทพชั้นอกานิฐาเทพผู้เข้าถึงอาการานัญจายตนะภูมิเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิ หรือเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญาณนาะสัญญาญตนาภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพเราได้เ่าหนึ่งนั้นเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทาให้มากแล้วอย่างนี้ เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นใดชั้นหนึ่งตามปรารถนานั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเท พ, พ, พทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา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 ยอมไม่เกิดในภพนไหนอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบสัง้ารู ป, ปะปฏิสูตสำหรับคำว่าสุตตะปกติมักจะแปลว่าเป็นผู้ฟังมากนะครับ แต่โดยในยาส่วนใหญ่จะหมายถึงการเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงการฟังอย่างเดียวแต่หมายถึงการศึกษาต่างๆหมายถึงการอ่านด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือนะครับการจะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ต้องใช้การฟังเป็นหลักดังนั้นจึงมักจะมีประโยคที่เกี่ยวกับคำว่าสุดตะซึ่งถ้าแปลในปัจจุบันก็ต้องแปลเป็นว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การเล่าเรียนรวมความคือการศึกษาสำหรับคำว่าน้อมจิตแผ่ไปในที่นี้หมายถึงการแผ่ไปห้าอย่างคือการแผ่ไปด้วยจิตคือการรู้จิตของหมูสัตว์ในโลกธาตุนั้นการแผ่ไปด้วยกสินคือการแผ่กสินไปในโลกธาตุนั้นการแผ่ไปด้วยทิพจักขูคือการขยายแสงสว่างออกไปดูโลกธาตุนั้น การแผ่ไปด้วยแสงสว่างคือการแผ่ไปด้วยที่ประจักษ์ขูนั้นและการแผ่ไปด้วยสรีระคือการแผ่รสศมีของสรีระออกไป